แก้อาการมโนเกินจริงการหลงรักทางเน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมคุยกับบางคนรู้สึกดีกว่าคนที่คบกันแบบเจอตัวจริงซะอีกที่เป็นเช่นนั้นเพราะการคุยทางเน็ตกระตุ้นให้ใช้จินตนาการส่วนการคุยแบบเห็นหน้ากระตุ้นให้อยู่กับความจริง จินตนาการเป็นความอบอุ่นใจที่ดูสมบูรณ์แบบจินตนาการไม่มีอ้วนไปหรือผอมไปจินตนาการไม่มีเสียงตะอคอกระคายโสดจินตนาการไม่มีกลิ่นตัวกับกลิ่นปากจินตนาการไม่มีอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบเพราะใจคุณกรองสิ่งที่ไม่ชอบออกไปหมดแล้วจะคุยกับใครก็ตามขอเพียงเขาหรือเธอ จุดอารมณ์อยากพูดคุยให้กับคุณยิ่งคุยบ่อยยิ่งคุยนานคุณจะยิ่งถูกดูดเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการมากขึ้นเท่านั้นต่อให้ไม่เคยเห็นหน้าก็จะรู้สึกเหมือนเห็นหน้าแล้วเพราะจินตนาการที่เข้มข้นพอได้ช่วยวาดภาพใบหน้าเขาหรือเธอให้เด่นชัดขึ้นมาในใจคุณแล้วเบื้องหลังคาพูดที่ก่อให้เกิดจินตนาการ หรือบุคคลจริงๆฉะนั้นไม่ว่าจินตนาการจะก่อให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์เพียงใดคุณจะทึกทักว่านั่นเป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆจังๆเสมอแม้จะถูกหลอกปล่อยให้หลงสร้างจินตนาการอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ตัวหรือไม่อยากเฉลียวคิดให้ทันตัวอย่างที่มีมานานและจะมีไปตลอดก็เช่นถ้าไม่เคยพบตัวจริง ก็เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหารูปใครมาหลอกหรือบางทีก็บอกว่าใช้รถยี่ห้อหรูเล่นหุ้นได้ปีละหลายล้านชอบอะไรอย่างนั้นทำงานอย่างนี้ทั้งที่ตัวจริงไม่ได้ใกล้เคียงกับที่โฆษณาไว้เลยแม้แต่น้อยแต่ฝ่ายถูกหลอกเมื่อหลงเชื่อไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้แน่นอน บางทีขนาดเขาหรือเธอไม่บอกอะไรถ้าคุณอยากมโนสิอย่างแค่อาศัยร่องรอยจากการสนทนาบางคำคุณก็อาจเข้าใจผิดไปเองว่าเขาหรือเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อให้เขาหรือเธอแก้ว่าไม่ใช่ความยึดมั่นในจินตนาการก็มีสิทธิ์ทำให้คุณยังยึดมั่นความเชื่อของตนอยู่ดีการหลงรักทางเน็ตเป็นหลักฐานได้ดีว่า หลายครั้งเจ้าตัวไม่ต้องทำอะไรจินตนาการของคุณจัดการให้เองหมดหลายคนได้บทเรียนจากจินตนาการผ่านกา ร, รเผชิญหน้าความจริงแต่หลายคนก็ติดหลงวนเวียนอยู่กับความฝันไปเรื่อยๆแล้วอยากหนีหายจากโลกความจริงไปเลยอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความหักเหในทางลาดลงต่ำซสียมากกว่าจะไต่ขึ้นสูง เช่ น, นําไปสู่โรคติดเน็ตแบบถอนตัวไม่ขึ้นบ้างนําไปสู่โรคกลัวสังคมเกรงกา ร, รเผชิญหน้าความจริงบ้างหรือกระทั่งโรคทนความจริงไม่ได้อยากฆ่าตัวตายหวังสวรรค์บ้างระหว่างโดนคนหลอกกับโดนจินตนาการของตัวเองหลอกการโดนจินตนาการของตัวเองหลอกน่ากลัวกว่าเพราะเอารู้ตัวว่า โดนใครหลอกคุณจะเลิกไว้ใจเขาทันทีขณะที่ถ้าโดนจินตนาการตัวเองหลอกคุณจะยังคงรู้สึกอบอุ่นใจกับมันอยู่เพื่อจะหายป่วยจากโรคมโนเกินจริงคุณจำเป็นต้องเห็นให้ชัดทั้งคุณและโทษของจินตนาการถ้าไม่จินตนาการเลยมนุษย์จะต้องติดอยู่แต่กับความจริงอันแห้งแล้ง การมีจินตนาการบ้างอย่างรู้ว่านั่นเป็นจินตนาการนับเป็นการหลบหนีชั่วคราวที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลงจากอาการหิวโหวยได้แต่ถ้าจินตนาการจริงจังเกินไปหลงเชื่อว่าทุกสิ่งที่คิดทุกสิ่งที่รู้สึกคือความจริงอันเป็นอื่นมิได้อันนั้นอันตรายแล้วเป็นโทษแล้วต้องแก้เกมกันใหม่แล้ว แม้จะปักใจเชื่อมโนภาพอันใดที่ยังปราศจากความจริงจับต้องได้มารองรับให้เร่งรู้ตัวนบัด น, นั้นว่าเป็นอาการที่จิตขุดลุ้มดักตัวเองเพียงแค่รู้สึกให้ทันและกระซิบกับตนว่านี่กลับดักก็จะไม่เกิดอาการถลำลึกลงไปเต็มที่แล้วการไม่ถลำตัวจนมิด ช่วยให้มีสติรองรับจินตนาการอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ความจริงทั้งหมดแล้วสมจินตนาการก็น่าดีใจสมตัวแต่ถ้าต้องผิดหวังไม่สมกับที่จินตนาการไว้ก็จะไม่ใช่ความผิดหวังที่แรงขนาดบาดเจ็บอะไรได้เลยแก้อาการอกหัก อาการของคนอกหักคือรู้สึกผิดหวังจากความรักหรือรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรืออีกทีก็รู้สึกเสียหน้าไม่มีค่าให้เขาหรือเธอเห็นหัวไม่ว่าจะจะระไนได้ว่าใครผิดใครถูกแค่ไหนเที่ยวไปฟังเทศส ก, กีวัดเข้าใจชัดเจนว่าควรแยกทางกันเพราะเหตุใดใจก็จะไม่เลิกเจ็บไม่รู้สึกว่าอกที่หัก จะกลับประสานเข้าที่เมื่อใดขอเพียงยังจ่อใจคิดถึงคนรักเก่าอยู่ไม่เลิกเท่านั้นสรุปคือจะแก้อาการอกหักง่ายนิดเดียวก็แค่เลิกคิดถึงเขาหรือเธอให้ได้เท่านั้นเทคนิคของแต่ละคนต่างกันไปบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บางคนก็นั่งสมาธิดูลมหายใจ ฟังดูมีแนวอุบายร้อยแปดให้เลือกใช้แต่ปัญหาจริงๆคือถ้าใจยังอยากคิดไม่อยากจะลืมและอยากจะเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคนอุบายโลกหรืออุบายธรรมข้อไหนก็ไม่ได้ช่วยจริงหรอกเพราะใจไม่ได้อยากเที่ยวไม่ได้อยากบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไม่ได้อยากรู้ลมหายใจความอยากที่แท้จริงคืออยากเอาเขาหรือเธอกลับมา หรือไม่กระเสรกปิ้งเดียวให้เขาหรือเธอหายไปจากใจชั่วกลนานโดยไม่ต้องเพียรพยายามใดๆคุณจำเป็นต้องมีงานบางอย่างที่เต็มใจคิดและเต็มใจทำอย่างสุดตัวอยู่ก่อนหรือถ้าไม่เคยมีก็ต้องหาให้เจอจะเป็นกีฬาดนตรีหรือสวดมนต์นั่งสมาธิก็ตามอยา่าคาดหมายว่า จะมีอุบายใดๆปัดเป่าความเจ็บปวดหรือเข้ามาระ ง, งับความคิดถึงได้แบบเฉียบพลันเพราะคำปลอบและอุบายทั้งโลกช่วยได้แค่ชั่วคราวระยะยาวต้องมีเรื่องหน้าติดใจอื่นมาขานอำนาจแย่งพื้นที่ความคิดความจำกันกับคนที่ผ่านไปเพียงตัวแต่ทิ้งเหตุการณ์ไม่รู้ลืมฝากไว้ที่กลางใจคุณไม่ยอมเอาติดตัวไปด้วย